ก็ทานอาหารตอนเที่ยงก็ทานตอนเย็นก็ทานอาหารกายส่วนธรรมะก็คืออาหารนั่นแหละเห็นแต่เรื่องเก่าๆก็ไม่เที่ยงก็เห็นควาเป็นทุกข์ก็เห็นก็ไม่ใช่ตัวตนก็เห็นเห็นรูปเห็นนามตามคว่าเป็นจริงแต่เห็นแล้วก็ถูกต้อง ก็เป็นเราไม่ค่อยถูกต้องมันขวางทางไปไม่ได้ไม่หลุดถ้าเห็นเป็นรูปหเห็นเป็นนามไม่มีอะไรขวางกันได้ียกว่าผ่านผ่านได้ไม่กักในขังแต่เรกก็เห็น กายเห็นเวทนาเห็นจีตเห็นธรรมพอเห็นตามความเป็นจริงก็เห็นรูปเห็นนามเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมเวทนากายเวทนาจิตธรรมหมดไปเหลือแต่รูปนามรูปนามก็ยังไม่สําเร็จประโยชน์ เป็นดุลเป็นก้อนแต่รูปธรรมนามธรรมก็ยังไม่ประโยชน์ถ้ารูปธรรมที่เป็นธรรมดีนั้นก็สำเร็จไปบ้างนามธรรมที่เป็นการทาชั่วก็เสียหายธรรมมีสองอย่างธรรมตอทหารสละอรม เรียกว่าทำทำดีทำชั่วทำงานทำการทำผิดทำถูกพอทหารเสละออมจำแนกออกไปจากตรง น, นี้มันจะดีก็แยกตรง น, นี้ม่ใช่ชั่วก็แยกตรง น, นี้เอาความชั่วความดีแล้วก็เอาลูกอาดามนี่ไปทำ แต่ถ้าเราเจระกควมชั่วทำกรรมดี เ, เอาลูกวันน้นี้ไปทำเป็นของส่วนตัวแต่ลูกทำอีกแบบหนึ่งรอทงรอเรือสองตัวมอมา้าเพราะนั้นเป็นธรรมชาตินั้นก็ยิ่งใหญ่เล่นความไปเที่ยงเป็นลูกทำทำตัวนั้น พอทงโลเแลือสองตัวกวามเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตวนเป็นรูปธรรมมันั้นยิ่งใหญ่ไม่มีใครเหนือกว่ารูปธรรมนามธรรมแบบนั้นใช่ว่าจำแนกได้แต่ถ้าเราไม่รู้ทรรมประเภทนี้ เราไม่เคารพธรรมอันนี้ลราประมาเทเสียหายไม่เห็นธรรมไม่เคารพธรรมมันเป็นธรรมเป็นธรรมชาติกฎของธรรมชาติทิฏฐิของธรรมชาติไม่มีใครป้องกันได้ไม่มีใครเป็นใหญ่ในรูปนามนี้ตกอยู่ในะ ทำประเภทนี้ถ้าไม่พัฒนาถ้าพัฒนาก็มีประโยชน์เอาธรรมที่เป็นธรรมชาติมาเป็นปัญญาถ้าเอาธรรมที่เป็นธรรมชาติมาเป็นปัญหาแล้วก็เกิดทุกข์เกิดโทษได้ที่รูปธรรม ทอทวงลอเรือสองตัวรูปทุกนามทุกมีมันเป็นทุกอันเป็นรูปที่เป็นรูปธรรมเนี่ยมันมีรูปทุกนามทุกมันมีความไปเที่ยงมันมีความไม่ใช่ตัวตนในความเป็นทุกมันรูปอันเนี่ย ตั้งอยู่ได้ไม่นานเกิดขึ้นแล้วเจเจ็บตายไปไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราต้องหมดทั้งสิ้นที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยที่เป็นต้นเป็นก้อนมหาพุทธลูกยืนเดินนั่งนอน รู้จักกินรู้จักขับรู้จักถ่ายรู้จักหายใจมีร้อนม่หนาวมีปวดมีเมื่อยอยู่อันนี้มันทนไม่ได้มันทนไม่ได้มันเป็นเวทนามันทนไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงมันไหลเลื่อยก็หายใจเข้าหายใจออก ในรูปมีมันรูกเป็นทุกข์แค่นามอยู่กับรูปไม่รู้จักแยกแล้วก็สองต่อแทนที่รูปจะทุกข์นามก็ทุกข์เข้าไปอีกถูกลูกศอนสองดอกดอกดังถุกรูปดอกดังถูกนามพระอริเจ้าหกถูกลูกศอนดอกเดียว ถูกเฉพาะรูปนามไม่ถูกเพราะมันเห็นรูปคำนามตามความเป็นจริงมันก็เจ็บเออรั่วมันเจ็บมันร้อนก็รั่วมันร้อนมันหนาวก็รั่วมันหนาวมันหิวก็รั่วมันหินาวเพราะว่าที่เห็นไม่เป็นไปกับนามนั่นเลยว่า ทำแบบนึง่งเปลี่ยนความร่ายเป็นความดีเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนปัญหาเป็นปัญญาพัฒนาตรงนี้รูปโลกดามโลกมันมีโลกมันเป็นก้อนโลกรูปเนี่ยมามก็เป็นก้อนโลกถ้าเราไม่รูกเกิดโลกอยู่บนโลก เกิดเจเจ็บตายเกิดโลกอยู่บนนามโกรธโลกหลงโลกของนามวิเดตนหาลาคะความโลกความโกรธความหลงมันเป็นนามโลกโลกอันนี้รักษาได้ <c oughs> รักษาได้เด็ดขาดเพราะพระเจ้าประกาศข้ อ, ของตามสีแ่แผงห้าแผง ก อ, อโลคยาปัลมาลาพาก็ไม่มีโลกเป็นลาบอันไปนเสดคือโลกกว่า น, นี้โลกของนามรักษาได้ตั้งแต่อายุห้อยชนมายุสามที่หกพรรษาอันนี้นามโลกแบบนี้อาศัยธรรมเห็นแย้งตามความเป็นจริง โอทงโลเรเลือสองตัวเนี่ยอันนี้เป็นธรรมเปลี่ยนล้ายเป็นดีเปลี่ยนผีเป็นถูกเปลี่ยนทุกข์เป็ไม่ทุกข์อาศัยอันนี้อาศัยปฏิบัติตรงนี้เรียกว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นส่วนตัวยาสละจิตมีอยู่ทุกกรณีใ้ความทุกข์ที่เป็น ความโกรธในความโกรธก็มีความไม่โกรธมันเปลี่ยนได้อย่างนี้ในความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์ยาสละสิทธิสิทธิของตนเองปฏิบัติได้อยู่เปลี่ยนได้อยู่ก็เปลี่ยนได้ก็เป็นเหนือโลกเหนือสุขเหนือทุกข์ได้เรียกว่าอยู่เหนือโลกอันนี้โลกโลก นามโลกรูปสมมุตินามสมมุติมันซ่อนทับมาให้โลกแน่นหนาขึ้นให้นามแน่นหนาขึ้นทำให้เรามืดทำให้เราไม่รู้มีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเป็นเปาะเป็นเครื่องขุฉีขวงรูปสมมุติสมมุติเป็นนามธรรมสมมุติเป็นวัตถุธรรม เอาสิ่งของวัตถุที่เป็นเป็นเห็นด้วยตาสัมผัสได้ด้วยมือมาเป็นสมมุติบัญญัติว่าอันนี้เราชอบอันนี้เราไม่ชอบในลักษณะของรูปสมมติต่างการเอามาทับถมรูปให้รูปมันหลงซ้ำไป อ, อีกอะไรรูปสมมติเป็นรูปวัรถม แม้แต่เสียงก็เป็นรูปปลิ่นก็เป็นรูปลดก็เป็นรูปอารมณ์ที่เกิดกับใจก็เป็นรูปมันเจ็บปวดได้ได้เห็นทางตาก็เจ็บปวดทั้งใจได้ยินทางหูก็เจ็บปวดทั้งใจได้กลิ่นทางลิ้นทางรสก็เจ็บปวดทั้งใจได้ เป็นที่รองรับของรูปรสกลิ่นเสียงได้อันนี้รูปสมมุติเราเคยเป็นสุขเพราะสมมุติเราเคยเป็นทุกข์เพราะสมมุติบัญญัติเราเองการสมมุติบัญญัติเอาเองนั่นนะมันไม่ใช่ตัวใช่ตนมันไม่เที่ยงอย่าหลงเอาสมมุติมาเป็นตัวเป็นตว น, ต ว, นต ว, ว่าเราชอบเราไม่ชอบสิ่งที่เราชอบก็พ้นเอาที้เอาขม ข, ขื่นเอาขโมยเอา ที่ที่ไม่ชอบก็ทำลายที่แ ท, ท้มันเป็นสมมติเป็นคำพูดเป็นสมมติบัญญัติที่เป็นรูปเป็นคำพูดดีว่าไม่ดียกย่องเป็นสมมุติสนอเสิร์นเป็นสมมติสมมติเอาอัานนี้มันมีสมมติแล้วก็นามสมมติ นามก็บัญญัติไม่มีรูปวีกอะไรเลยบัญญัติขึ้นมาไปถูกเป็นทุกข์ได้ทั้งที่ไม่มีอะไรตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็ไม่ได้กลินลิ้นก็ไม่ได้รสกายก็ไม่ได้สัมผัสแต่บัญญัติเกิดขึ้นดังใจบัญญัติเอาว่าเราชอบว่าเราไม่ชอบบัญญัติบางอย่างน้ําตาร่วงน้ําตาไหล บัญญัติเป็นบังมากถึงกับฆ่าตัวตายถูกคอตาอยยิงตัวตายถ้าบัญญัติว่าไม่ดีบัญญัติว่าดีก็หลงหลอยเอิดเพลินโมเมามืดมลจะถูกปัญญัตินี่หลอกเสือผู้เสือคนอันนี้สมมติบัญญัติมีอยู่ในลูกมีอยู่ในดามสมมติบัญญัติที่ใช่ไม่เป็น ใชส ม, มุดไม่เป็นใช่บัญญัติไม่เป็นเสียหายผิดแต่ไม่เสียหายได้เสียหายส่วนรวมได้เสียหายส่วนตัวได้แต่ที่จะมีประโยชน์เกิดเป็นโทษได้วัตถุอาการมีอยู่ในรูปในนามนี้วัตถุคือตาก็เป็นวัตถุหูก็เป็นวัตถุจมูกดิ้นกายใจเป็นวัตถุ เมื่อมีวัตถุมีภายนอกมีวัตถุภายในรูปรสกลิ่นเสียงเป็นวัตถุภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นวัตถุภายในวัตถุสองอย่างนี้มันเป็นคู่กันเมื่อเกิดวัตถุขึ้นมาสัมผัสวัตถุขึ้นมากลายเป็นสมมติปัญญัติตรงนี้ก็มีเยอ ะ, ยอะแยะตาเห็นรูป โอดิเหนเสียงชะมกได้กินลิ้นในรถเนี่ยเป็นวัตถุแล้วก็มีอาการต่อไปอีกตาเห็นรูปพอใจไม่พอใจอ น, นั้นเป็นอาการเกิดขึ้นแล้วอาจจะเป็นพบเป็นชาติตรงนี้หรือกว่าอาการวัตถุอาการเป็นอาการมันมีถ้าเป็นวัตถุเฉยๆสมมุติแล้ว ลงไวปจบลงไ ป, ง ไ, ปไม่เป็นไรมันมีอาการต่อไปอีกชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจแล้วก็พองแต่งไปเกิดกิเลสต่างหาได้ตาเห็นโลกเกิดกิเลสต่างหาได้แต่เห็นโูกรักได้ตาเห็นโกูกปบื่อได้นดดั่น แ, แต่อาการพยายามมองงั้นมันไม่จบถ้าเราไม่ลูบมันมันก็ไปกันใหญ่ ให้อาการหลอกเราหลงไหลไปเรียกว่าวัตถุอาการปรามาัดมันจริงแบบสมมติเช่นเขาด่าเรามันสมมุติเอามันจริงแบบเขาด่าแต่มันไม่จริงแบบปรามาัดเขาสอนเสริญ เ, เรามันจริงแบบสอนเสริญของเขาตามสมมติของโลกสมมติของโลกนินทเสนเสิร์นนี้มันมีอยู่ก่อน ตั้งตั้งแต่เรายังไม่เกิดมีรูปมีนามนี้มีได้มีเสียมีผิดมีถูกมันเป็นโลกกะระทามมาก่อนเราเคยเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะโลกวัตถุโลกกะระทัมนี้ครอบงมเราย่ายีเราถ้าเรามาเห็นสมมติบัญญัติเห็นวัตถุอาการก็จะอาจจะลือได้เราวาง ใช่สมมุติเฉยๆไม่ใช่เป็นประมัดความโกรธเป็นสมมุติความไม่โกรธเป็นประมัิมันมีอยู่ในความไม่เที่ยงก็จริงแบบไม่เที่ยงมันไม่จริงแบบเที่ยงในความเป็นทุกข์ก็จริงแบบเป็นทุกข์แต่ว่าไม่จริงแบบไม่เป็นทุกข์ในทุกอย่างมีปรามัดสัจจะในความทุกข์ก็มีปรมามัดโจมันจริงแบบนี้ ถ้ามีความทุกข์ก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจมันเป็นวันหยาบแบบนี้สมมติแบบนี้แต่ถ้าเรามาเห็นปรมาติตแล้วมันก็ไม่มีค่าในความสจขความทุกข์นั้นมันก็เป็นจักตะว่าโอนนี้แล้วว่ามันลื้อไป สมมติปัญญาต์ปรมตัตสัจจะมันมีอยู่ในความไม่เที่ยงมันก็เป็นแบบนั้นมันจริงแบบนั้นไม่ไปตูอเอาความไม่เที่ยงมเงเยง า, เาเป็นของเที่ยงถ้าไปตูอว่าเป็นของเที่ยงมันผิดปรมตัตเดียหายก็าวางเห็นว่าความไม่เที่ยงก็แค่นั่นเองอาจจะได้ปัญญาอาจจะได้นิพพานตรงนั้นได้ถ้าเห็นตามความเป็นจริง นี่้ต่ว่าเป็นหลักสูตรในรูปธรรมในานามธรรมถ้าจะอธิบายให้มากมายที่บันเกิดอยู่บนกองลูกกองนามนี้มีมากแปดเป็นสี่พันอย่างเราไม่รู้เราก็ลอยหลงกันอยู่ตรงนี้กันเราจึงมาดูวันซะมามีสติถ้าลงย้อยดู ให้เห็นกายสภาวะกายเนี่ยมันแยกออกไปจนถึงกับเห็นแย้งทุกอย่างอะไรเกิดขึ้นกับกายเกิดขึ้นกับรูปอะไรเกิดขึ้นกับนามรู้ลแล้วรู้งดรู้โหดรู้ท้วนแม่เมีตรงไหนปิดปางอพางทะลู้ทะลวงไปหมดแล้วเรียกว่ารู้แจ้ง การลู่เจ้องอย่างนี้หรือว่าวิปัชนาญานวิปัสนาญานเกิดขึ้นรุ่งเรืองปัญญาปัญญาออกจากทุกข์ปัญญามันเกิดรอบรูดในกองสังขารในกองลูกฝังนามนี้อย่างเนี้ไม่ใช่ปัญญาเกิดจากอะไรที่ไหนรอบรูดในกองสังขารเนี่ยมันเห็นกอง รูปควานามเห็นตั้งแต่เริ่มต้นศึกษาปฐมเห็นกายเห็นเวตาเห็นจิตเห็นธรรมมันเป็นหลักสูตรอย่าทิ้งหลักสูตรมันมีสูตรอย่างนี้เอากายเอาใจนี่เป็นตำลาเอารูปกวานามเป็นตำลาเป็นหลักสูตรถ้าเราได้หลักสูตรนี่จะหลักสูตรไม่หลง มั้นเราเรียนหนังสือถ้าหรือหลักสูตรได้ว ย, ยากรณได้ตัวอักษรไปสูตรคณิตศาสตร์สองหนึ่งเป็นสองจะให้เป็นสามเป็นสี่ไม่ได้สองห้าเป็นสิบจะให้สองห้าเป็นยี่สิบไม่ได้ไม่มีหลักสูตรแต่หลักสูตรนั้นมันมันปิดบังแต่เราหลงก็มี เช่นความไม่เที่ยงไม่เป็นหลักสูตรของรูปของนามก็เป็นทุกข <rio> ์มันเป็นหลักสูตรของรูปของนามมันตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นความทุกข์ไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นหลักสูตรของเขาอย่าหลงตรงนี้ป้องให้มันกระจายออกให้มันกระจายออกได้ว่าผ่านได้ไม่เป็นดุ้นเป็นก้อนในความไม่เ ท, ที่ยงแทนที่เป็นทุกข์ ไอ้นความไม่เที่ยงกลายม่เป็นปัญญาได้เราเห็นไปอย่างนี้ทว่า น, นี่ไปแสดงทำไมพวกพี่น้องชาวจีนเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่ใครมาลู้ให้เราเรารู้เองเราเห็นเองเราใช่ได้เองในความไม่เที่ยงเอามาเป็นทุกข์มันใช่ไม่ได้ ไอ้ความาเที่ยงมาเป็นปัญญามันใช่ได้ใครเป็นผู้เห็นเราเป็นผู้เห็นเราก็ตอบบ อ, อกเองร้อถามเราหลวงพ่อเทียนก็ไม่มีแล้วไม่มีใครเป็นผู้ที่จะบอกว่าหลวลงพ่อเทียนใครบอกไหมายคนนั้นเลยบรรลุธรรมคนนี้เลยบรรลุธรรมหลวงพ่อเทียนใครบอกไหมเดี๋ยวนี้หลวงพ่อเทียนไม่มีแเราไปถามใครเราจะไปศึกษากับใคร ล้วก็ถามเราได้ตอบยังไงล่ะฮะพระพุทเจ้าบอกว่าคุณร่างโอนี่เป็นพระอรหานเลยไม่มีบอกเป็นปัจจัต่างไม่มีคำถามบอกไม่ได้ไม่เหมือนเดือนวิชาสมมุติบัญญัติวิชาสูตรสำเร็จเขาบ้องไปประกาศ ให้อันนี้ไม่มีลูกเฉพาะตนเองปัจจตังก็ลุ้ยตนเองไม่มีใครมายื่นให้ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆให้ความไปเที่ยงเอามาเป็นทุกข์ไม่ถูกให้ความไปเที่ยงเอามาเป็นมรรคผลนิพพานมันเป็นปัญญามันถูกใครบอกไม่มีใครบอก ความเป็นทุกข์มาเป็นทุกข์มันไม่ถูกในความเป็ทุกข์มาเป็นบัญญามันถูกต้องในความโกรธ้องเป็นความโกรธไม่ถูกต้องในความโกรธอมมกรกอก ม, มาเป็นความไม่โกรธถูกต้องกลัวอย่างนี้ยในความหลงมาเป็นความหลงไม่ถูกต้องในความหลงมาเป็นความไม่หลงถูกต้องกลัวอย่างนี้ใครเป็นคนเห็นเรื่องนี้ เป็นปัจจัดตังหนลูไหมายหรือหลงเป็นหลงจนตายโกรธเป็นโกรธจนตายทุกข์เป็นทุกข์จนตายมีประโยชน์อลไรชีวิตเรามีการสอนกันจองจ้องอยู่พระพระเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกก็เย็ยนไหมความทั้งว่าท์คำสอนอันเป็นทาเเรื่องออกจากทุกข์ เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปัญญานิพานมันมีแล้วมันมีแล้วอยู่บนความทุกข์ของกิ่งคือทุกข์อริยสัจสีเห็นของกิ่งคือเลิยสีอย่างประเสริฐเห็นแล้วมันก็มีทางออกได้เมื่อเราเห็นงูงูจงอางอยู่ น, นั่น่ะไปถ่ายภาพให้หลวงตาด้วย แล้วไปให้งูกัดเลยงูจงอางฮะมันก็ไม่ใช่แล้วเห็นไหมเห็นงูจงอางไหมเห็นงูพิษไหมยอยู่ที่ไหนงูพิษอ่ะทุกข์เป็นโทษเกียนตายที่ลหนอยู่ที่เราในแหล่เห็นความโกรธให้ความโกรธพา่ายโกรธงูจงอางกัดเข้าแล้วเจียนตายแล้วให้ความโกรธพา่ายโกรธให้ความทุกข์พ่าทุกข์ตกพิษ สงแล้วเคยไหมเคยทุกข์พวกความทุกข์ไหมเคยทุกข์ความโกรธไหมเนี่ยมันมีพิษอย่างเนี้ยเราจึงมารักษาเนี่ยไม่ต้องมีพิษอะไรแต่มาจึงไม่ให้มันกัดเห็นแล้วออกไปพอเห็นแล้วก็ออกไปมันมีทางออกไปอยู่เห็นทุก ออกจากทุกข์พ้นจากทุกข์อย่างเนี้ยเพราั้นงูจงอางชูคออยู่เห็นแล้วทําไงต่อไปฮะเห็นงูจงอางชูคออยู่เห็นแล้วนะไม่มีใครไม่เห็นนักทุกข์นะบางคนประกาศเลยมึงไม่รู้จากลัวทุกข์เลยเนี่ยมึงไม่รู้จากลัโกรธเลยเนี่ยอะมึงอย่ามาใกล้กูนะเดี๋ยวมึง ไม่มีอ่ะก็มองเห็นเมืองเท่าเช่นผมน่ะแล้วก็ให้เห็นทุกมู่งจงอางแผลแม่เวีย้ยอยู่ออกไป อ, ออกไปให้มันไกลสักหน่อยออกไปห่างออกไปหองออกไปก็ อ, ออกไปไกลสิบวายี่สิบวากับคนไปออกไปอีกจนมันพ้นที่สุดลัวพ้นแล้ว ไม่แล้วไม่มีอะไรล้วเห็นทุกข์ออกไปจากทุกข์พ้นจากทุกข์ลู้เจ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่าปัจจยาามเห็นทุกข์ออกจากทุกข์พ้นจากทุกข์เห็นส ม, มุทยัยไม่ก่อส ม, มุทยัยพ้นจากส ม, มุทยัยเห็นวิธีออกไปได้ออกไปแล้วพ้นแล้วเรียกว่าทุกข์ส ม, มุทัยนิโรธมร อย่างแน่อย่างละสามอย่างรวมเป็นไปสิบสองปฏ จ, จการ 12, ิยาสิบสองโดยทำเป็นธรรมาจากักรสิบสองขี้พระบรมโอรสาธิยไปแต่ละมันทาไมมาสิบสองขี้มาจากไหนมาจากอริสัตถีเห็นออกไปพ้นแล้วเห็นออกไปพ้นแล้วออกได้ไหม เนี่ยออกได้เอามันหลงรู้ขึ้นมาพ้นจากความหลงมาลู่แล้วอ่าได้ไหมเวลามีสติอยู่เนี่ยเอามันหลงไปมันหลงไปอ๋อไหนกัมาลู่ใหม่พ้นจากความหลงไปแล้วมาลู่แล้วพ้นอะไรอยังนี้เดพ้นอยู่เนี่ยมันทุกมีไหมเห็นมันทุกออกจากทุกมาลู่มันก็มีอย่างนี้รว่ากรรมมาฐาน มันลิขิตได้เป็นที่ตั้งแห่งการกระทานี่มันจำแนกได้อย่างแ น, น่แล้วไม่ต้องไปสาทุแม้ให้ผู้ข่าวพ้นจากกท์เด้อไม่มีทางถ้าไม่ทำตรงนี้ฮะไม่มีทางอ้อนวอนไม่ได้ไม่ใช่สาธาออ้อนวอนเป็นสาธาแห่งการกระทาเปลี่ยนเรา บอกอยู่แล้วว่ามันหลงไม่หลงอามันอยู่ด้วยกันแล้วให้ทาเรานี้ทำให้มันเป็นไยนไิเฉลียนรูปไปจำเอาทำให้มันเป็นเปลี่ยนไปเล็กน้อยไปเปลี่ยนหลงเป็นรูปเปลี่ยนทุกเป็นรูปไปจึงทำวันนี้ให้มันจำนี้จำนานให้มันคล่องตัวมันไม่ต้องเปลี่ยนต่อไปมันก็เปลี่ยนในตัว หลวงพ่อเทียนสอนว่าเอาจิตเอาสติดูจิตเอาจิตดูจิตไหนสติมันดูจิตต่อไปจิตมันจะดูจิตแดงอันเดียวเลยในหลงที่ใดมีหลงไม่รู้ตรงนั่นเลยเนื้อมันในมันของอยู่ด้วยกันความทุกขอ์กอยู่ที่ใดความไม่ทุกข์อยู่ทันเลย ถ้าทำเป็นแล้วบันก็ปั๊บตันทีปั๊บตันทีปั๊บันทีมีเจ็บทรงไหนความไม่เจ็บเห็นมันเจ็บไม่เจอะตรงไหนเห็นมันเจอะมีตายตรงไหนเห็นมันไม่ใช่เป็นกับมัมันเปลี่ยนอยู่ทุกคนณะไม่ใช่เวลาจะเจ็บเราโมยมือสร้างใจว่าโอ้ยจะเดินจะกรมมันเดินได้อย่างไงอันท่องในจิตในจิตไม่ต้องทําำลาไหนตัวมันเอง ในความแก่ก็มีความไม่แก่ในความเก็บก็มีความไม่เจ็บในความตายมีความไม่ตายฝึกให้ชำนิชำนาญเอาไว้อยอมสงบเราฝึกอยอมจึกเราลบอย่าง น, นี้จึงจาเป็นจําเป็นก็ต้องทำแบบนี้จะทำแบบอื่นไม่ได้เอาเงินเอาทองเอาข้าวเอาของไปซื้อเอาไม่ได้เลยเมื่ว่าโสนะกริวิตะ พูดแล้วพูดอีกจำได้ไหมสโสนาโกลิวิตะมีจตธารมาบวชปฏิบัติธรรมเดินยกรมจนเท่าแตกขาเท่าเอาป่ายองเดินไายเท่าก็แตกเอาส้นเดินไปอย่างนี้นส้นเท่าก็แตกเอาข้างเดินข้างเท่าก็แตก ลอยเดินยักองไม่แต่ลอยเลือดองค์ก็โจวนะเพื่อนไปเห็นเข้าไอ้ทักท้วงกติก้างโสนาอยู่นู้นลอยเดินยกองไม่แต่ลอยเลือดเลยทําไมนะ่ะไอ้คนไปท้วงก็ร้องไห้เสียใจว่าเราทําขนาดนี้ไม่ได้บรรลุธรรมอะไรเลยหมดปัญญาแล้วก็ปฏิบัติแบบนี้ขอศึกขาลายเพศไป ทรัพ ส, สมบเรามีมากโกริวิตะทรับเป็นโกรธไปขายไปทำมวลเอาเงินเราทองไปทำมวนเอาออไม่ทำได้แบบนี้หรอจังลองให้มาพระพุทธเจ้าขอลาสิกขาไม่มีทางที่จะบรรลุทำได้แล้วเจ้าข้าเอยเอินจังกรมจะเท่าแตกพระเจ้าก็ถาม โซนะเอเป็นนักดนตรีใช่ไหมใช่พระเจ้าขา่าเวาเธอทรงดนตีดีเพียนสีโสเสายของเธอมันเต็งเสียงเพาะไหมไม่เพาะถ้ย่อนเกินไปมันเพาะไม้ไม่เพาะเจ้าขา่าถ้าเอายังไงจึงพอดีเอาพอดี โน้ตเหมือกั la, do, la, on, la, on, la, ลาโดลาซนลอซนลาเมีังตาเคหัดนะลานซอนไม่มีลาโดลาซอนเหนือแล้วก็ฟังเสียงแล้วก็ได้หงวอ่าซนซนซนซนมีมีมีมีมันเข้ากันซ้อนกับมีมันเข้ากันใช่ไหมเหมือนโดกับลาเน่ยอะไรนับลูกโดมีเหมือ น, ก, น, น, ก, นก็เรียนภาษาวัยเกวาหนอไอกับอี I, I, I, มันอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมใช่ไหมไอเอไออเนี่ไออไอเอเป็นเสอไอ้ด้วยเป็นสติด <amour> yeah, so, it ้วยเราดูเราจอน่ะเสือหน้าก็ดนตรีอยู่แล้วจะทํางานเสียงพินเธอจึงจะได้เสียงที่เหมาะต้องพอดีจอนจนไม่มีจอนจนไม่มีเราดูเราจอนต่ออว่าเช่ดไปเล่นเลยนะเวลาเขาจะจงดนตรีเขาจงจอนจอนจอนจอนไม่มีไม่มี ลาลาลาลาจนมีจนลาลาใช่ไมจ๊ะเออใช่ได้ละเล่นได้ปะ่ะเด็เอาให้เสียตามเสียงเพลงได้ถ้ามันไม่นอนไปไม่แล้วทําไมเธอจึงจะได้เสียงพิ่น้องเธอที่เหมาะสมต้องพอดีฉันเลยก็ดีสุดละเอยการทำกับเพียอนอย่าตึงเกินไปให้พอดีอ่าเราตาบอกว่าอมยิ้มไว้เสมอ อย่าไปเอาเคียดบางคนปฏิบัติธรรมหน้าบูดหา้าบึ้งเอาให้ได้ตือนเจ้กรมบึ้งไม่มันมันตึงเกินไปให้มันพอดีรู้ไว้ความรู้มันจะเบาๆนะอันความโอ้จริงบังคับเนี่ยมันเจอะไปได้ต้องทำเสมอมันหลงก็หัวเราะความหลงอย่าให้เปลี่ยนแปลงมันหลงรู้มันรู้รู้มันทุกข์รู้ มันสกุลูรูไปมันพยายามรูดีใจมันห ล, ลงเสียใจไม่ใช่ตึงแบบนั้นไม่ใช่ตึงแบบย่อนถ้ามันเสียใจเสียใจย่อนแล้วดีใจย่อนแล้วก็มันรูดีดีดี ด, ดีนี่ตัวตึงกันไปแล้วมันหลงอุ้ยไม่ดีไม่ดีอย่างนี้เรียกว่าตึงแล้ว ไม่พอดีเห็นเท่าเท่ากันมันหลงเห็นมันลูกเห็นมันทุกข์เห็นมันสุขเห็นมันจะไม่มีอะไร น, ะนี่ว่ามัชฌิมาเสียงได้พอดีเลยเอาบางก็มีด้วยประกาศจะนี้